ทีวรขันธกะสองร้อยสองชีวกะวัตถุว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัตเรื่องคณะกุฑุมภีชาวกรุงราชคฤห์พบหญิงงาม มีพลเมืองมากมีคนคับข้างขวางพลเมือง 7707 เรือนยอด 7707 สวนดอกไม้ 7707 สระ 7707 และรูปงามหญิงงามเมือง เธอขับร้องและประคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอ ได้พบเห็นกรุงเวสาลีที่อุดมสมบูรณ์พบพลเมืองมากกรุงเวสาลีที่ 7,707 เรือนยอด 7,707 สวนดอกไม้ 7,707 สระ 7,707 และมีหญิงงาม มีผิวพันผุดผ่อง 50 มหาปณะก็เพราะนางอัมพปาลีนี้ เดินทางกลับมายังกรุงราชคฤห์เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 7,707 เรือนยอด 7,707 สวนดอกไม้ 7,707 สบ 7707 และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีมีรูปงาม 50 มหาปณะก็เพราะ และมีความงดงามเป็นพิเศษขอเดชะแม้ชาวเราตั้ง มีเด็กสาวชื่อสาละวดีมีรูปงามน่าดูน่าชม ต่อมาเธอมีครรจึงคิดว่าธรรมดาสตรีมีครรไม่ว่า รับคำของหญิงงามเมืองชื่อสาละวดีว่าจะปฏิบัติตามคำ ก็เวลานั้นเป็นเวลาเช้าเวลานั้นเป็นเวลาเช้าเจ้าชายอภัยกําลังเสด็จเข้าสู่พระ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 ชีวกกุมารพัทธ์เจริญวัยรู้เดียงสาเขาเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยกราบ อย่ากระนั้นเลยเราควรเรียนศิลปะเรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกศิลาสมัยนั้นนายแพทย์ทิสาปาโมกตั้งสำนักอยู่ณกรุง นายแพทย์กล่าวว่าพ่อชีวกรถ้าเช่นนั้นเธอจง เมื่อไหร่จะจบศิลปวิทยานี้สักทีลำดับนั้นชีวกกุมารพัชเข้า 7 ปีเมื่อไหร่จะ ถ้าเช่นนั้นเธอ 1 โยชน์พบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวยาก็จงนํามา ผมเดินไปรอบๆกรุงตักศิลาในระยะ 1 ผมโยชน์แล้วไม่พบเห็น ได้ตระหนักว่าทางเหล่านี้กันดาลขาดแคลนน้ําและอาหาร 7 ปี นายก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากศาป่าโมกคนสําคัญหลายคน 7 ปีเชิญ ชีวกขมารภัทรเดินทางไปถึงถิ่นที่อยู่ของเศรษฐีข้ามปดีสั่งคนเฝ้าประตู คนเฝ้าประตูตอบว่าเป็นหมอหนุ่มขอรับปัญญาเศรษฐีกล่าวว่าอย่า นายแพทย์ที่สาปาโมกคนสําคัญหลาย เข้าไปหาปัญญาเสถีแล้วกราบเรียนตามนั้นปัญญาเสถีตอบว่าถ้าเช่นนั้นเชิญ ผมต้องการเนยใส 1 ซองมือเมื่อ 1 ซองมือแล้วเขาจึงหุงเนยใสนั้นกับยาต่างๆให้ปัญญาเศรษฐีนอนหงายบนเตียงแล้วนัดยาขณะนั้นเนยใสที่นัด ขณะนั้นชีวกกุมารพัทรนึกๆแม่บ้านคนนี้ช่างสกปรก ปัญญาอาจารย์ดิฉันเป็นคนมีครอบครัวจำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งที่ควรเก็บไว้ใช้คนมีใช้เป็นน้ำมันเติมตะเขียงก็ได้จำเป็นจะครั้งนั้นรู้จักสิ่ง ให้หายได้โดยวิธีนัดยาครั้งเดียวเท่านั้นครั้นปัญญาเศรษฐีหายโรคแล้วจึงให้รางวัลแก่เขาเป็นเงิน 4,000 กหาปณะบุตรเศรษฐีขะบดีปกติพอได้ทราบว่าแม่ผัว พอได้ทราบว่าปัญญา 4,000 กหาปณะพร้อมกับให้ทาสทาสีและรถม้าชีโวกรมรภัทรรับเงิน 16,000 อภัยกราบทูลว่า เป็นผลตอบแทนครั้งแรกของกล่าวกระหม่อมขอพระองค์ทรง 204 พิมพ์พิศาลราชวทุว่าด้วยพระเจ้าพิมพ์พิศาลจอมทัพมหโคตรรัฐเรื่องรักษาโรฤสีดวง ตอนพระโลหิตเกิดแก่พระองค์อีกไม่นานก็จะ อีกไม่นานก็จะมีพระประสูติกาลเจ้าช่วยหา ต่อมาเจ้าชายอภัยสั่งชีวคกมลรัตน์ว่าชีวคเธอจงไปรักษาพระ ด้วยยาทาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรื่อง 500 นางแต่งตัวเต็มยศแล้วให้เปลื้องออกรวมเป็นทอตราดกับชีวกกุมารพัชว่าชีวกเครื่องประดับทั้งหมด 500 คนนี้ อย่าเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์โปรดระลึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์พระว่าถ้า 205 ราชคหเสถิวัตถุว่าด้วยเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์เรื่องรักษาเศรษฐีชาว นายแพทย์หลายคนบอกเลิกรักษานาย 5 นายแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีขาบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่ 7 ต่อมาคณะกุฎุมภีชาวกรุงราชคฤห์มีว่าเศรษฐีขาบดีผู้ แต่กราบทูลพวกแพทย์บอกเลิกรักษาแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีขาบดีจะ ขอเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะเศรษฐีขาบดีผู้นี้สร้างคุณประโยชน์ 5 แพทย์บางพวก 7 ขอ ขอพระองค์โปรดมีรับสั่งนายแพทย์ชีวกกุมารพัชเพื่อให้รักษาท่านเศรษฐีเถิดดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารทอดธรรมโคตรรัฐจึงทรง ถ้าผมรักษาท่านหายจะมีอะไรเป็นว่าท่านอาจารย์ทรัพย์ได้ไหมว่าได้ชีวก ชีวโกมารภัจถามว่าท่านจะ 7 เดือนได้ได้ต่อมาชีวโกมารภัจ 2 ตัวแสดงแก่ เศรษฐีขะบดีจะถึงอนิจจกรรมในวัน 5 คงจะมองเห็น 5 เศรษฐีขะบดีถูกมันเจาะกินสมองก็ มันเจาะกินมันสมองของเศ 7 เศรษฐีข้าพดีถูกมันเจาะกินสมองก็ 1 สัปดาห์เศรษฐีข้าพดี Ok ชีวกกุมารพะถามว่าข้าพดีท่านรับคำไว้มิใช่หรือว่าอาจารย์เราสามารถอาจารย์เรารับรองไว้ก็จริงแต่ ครั้นผ่านไป 1 ครสัปดาห์อาจารย์เราไม่สามารถนอนอาจารย์เราสามารถอาจารย์ เราไม่สามารถนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งได้ตลอดเจ็ดเดือนไม่สามารถนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งได้ตลอด 7 ว่าอาจารย์เราไม่อาจารย์ เราสามารถนอนหงายได้ตลอด 7 เดือนเศรษฐีตอบว่า ลุกขึ้นเถิดข้าพดีท่านหายป่วยแล้วจะให้อะไรเป็นรางวัลเล่าเศรษฐีข้าพดีตอบ แต่พระราชาให้ผม 100,000 กหาปณะก็ทรัพย์ 100,000 กหาปณะแด่พระราชาและให้ 206 เศรษฐิบุตตะวทุว่าด้วยบุตรเรื่องรักษา สมัยนั้นบุเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีกําลัง ข้าวต้มที่เธอเดิมไม่ย่อยไปด้วยดีอาหารที่รับประทานก็เส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งอย่ากระนั้นเลยเราควรไปกรุงราชคฤห์ ขอเดชะเดชะบุตรของข้าพระองค์เจ็บปวดขณะเข้าต้มที่ถือเดิมไม่ย่อยไปด้วยดีอาหารที่รับประทานก็ไม่ พระเจ้าพิมพิสมิต conna เจอท Pomis ปิวงพิส 소� resonance รับสั่งชีว้กกร Already ปิวงโสม bijาติ และ gratitude ข pen down statement. observingippinakes confiangy erevio percent.itto Naraw answering is semikinad impeta. 的是 ทุrics bab scale hyung in sight. Ethereum den of the systems 텐� agri-ena or groupstation gefụtte independent. D وتمad sounding and act ....in соответ Hermes poss รา наход Sleep부� garden. וה dance deize nabeg entend me. cornering ให้ภัญญาอยู่ต่อว่าเธอจงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอเข้าท้องที่เธอเดิม สอใส่ลำไส้กลับไว้ตามเดิมแล้วเย็บหนังท้องทายาสมานแผลต่อมาไม่นานนักบุรุษเศรษฐีชาวกรุงพารานสีจึงหายป่วยเป็นปกติต่อมาเศรษฐีชาวกรุงพารานสีคิดว่าบุตรของเราหายป่วยแล้วจึงให้รางวัลแก่ชีวกกุมารพัช เดินทางกลับกรุงราชคฤห์ตามเดิม 207 ปฐโชตราชวทุว่าด้วยพระเจ้าปฐโชตเรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพระเจ้า สมัยนั้นพระเจ้าปัจโจทรงทูลไปยังราชสำนักของพระเจ้าว่าหม่อม ชีวกกุมารพัชกราบทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเดินทางไปครมอุเฉนีเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปัจโชตตรวจพระอาการแล้วกราบขอเดชะข้าพระองค์จะหุงใน พระราชานีทรงเอาละถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีเนยใสเราก็ไม่ พระราชาพระองค์นี้ทรงพิโรธก็จะ พระองค์โปรดรับสั่งเจ้าพนักงานในโรงราชพานะและที่เฝ้าประตูว่าหมอ จงเข้าออกได้ในเวลาที่ต้องการเข้าออกได้ในเวลาที่ต้องการก็สมัยนั้นพระเจ้าปัจโชตมีช้าง mm hmm. จึงทำให้ทรงเรอขึ้นทําให้ทรงเรอขึ้นทันใดนั้นพระเจ้าปัจโชตจึงรับสั่งคนทั้งหลายว่าเราถูกหมอชีวกชาชั่วลวง จึงรับสั่งว่ารับสั่งว่านายกากะเจ้าจงไปตามหมอชีวกกลับมาโดย ชีวโกมารภัจกล่าวว่ากากะท่านโปรดรับประทานอาหารเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเถิดถ้ากากะตอบว่าอย่าเลยท่านอาจารย์ แล้วร้องเชิญธาตุกากะว่าเชิญท่านกากะมาเคี้ยวมะขามป้อมและ ผมจะยังมีชีวิตอยู่หรือจะยังมีชีวิตอยู่หรือชีวกโกมารภ์ตอบว่าอย่ากลัวไป พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกรราชตรัสว่าเจ้าไม่กลับไปก็เป็นการกระทําที่ดีเพราะพระ ขอพระองค์ทรงระลึกว่าเป็นหน้าที่ของ 208 สิวยกะทุสยุกคคถาว่า คู่ผ้าหลายแสนผ้าหลายแสนต่อมาพระเจ้าประโชตจึงทรงสงผ้าสิวยกะ นอกจากพระผู้มีพระภาคคร 30 ครั้งเรื่องสงฆ์ พระผู้มีพระภาคมีพระวรกายหมกมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษพระองค์ได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าอานนท์ตถาคตมีกายหมกมมด้วยสิ่งอันเป็นนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาชีวก พระตถาคตมีพระวรกายหมกมมด้วยสิ่งอันเป็น 2 3 วันครั้นท่านพระ 2 3 วันแล้วจึงเข้า ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับชีวกว่าท่านชีวกพระวรกายของพระผู้มีพระภาคชุ่ม 30 ครั้งครั้งนั้นชีวกกุมารพัชได้มีความคิดอย่างนี้ว่า ยากระนั้นเลยเราพึงอบก้านอุบล 3 ก้านด้วยยาต่าง 3 ก้านด้วยยาต่างๆแล้วก็ไปเฝ้าพระ จะทําให้พระผู้มีพระภาคทรงครั้งแล้วได้ทูล 2 แด่พระผู้มีพระ 2 นี้วิธีนี้จะ 10 ครั้งแล้วได้กราบ พระผู้มีพระภาคจึงทรงสูดดมอั้นครครคร 30 ครั้งแล้วได้ถวายอภิวาท เราทูลถวายพระโอสถไทยแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อ พระผู้มีคร 30 ครั้งพอดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคร 30 ครั้ง พระตถาคตมีพระอวรกายหมกมมคร 30 ครั้งแต่จะ 29 ครั้งอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วอานนท์ ถ้าอย่างนั้นเธอจงเตรียมน้ําร้อนไว้ท่านพระอานนท์กราบทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้วจะเตรียม ชีวกโกมารภกกราบทูลว่า จักทําพระผู้มีพระครคร 30 ครั้งพอดีพระผู้มี ให้ถ่ายอีกครคร 30 ครั้งพอดีครั้งนั้นชีวกโกมารภัจกราบทูลพระๆจนกว่าพระวรกายจะ 210 วรญาณกถาว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจกราบทูลขอ พระผู้มีพระภาคทรงมีพระวรกายเป็นปกติครั้งนั้นชีวกกุมารพัชจึงถือ ชีวกกุมารภกกราบทูลว่าข้าพระองค์ทูลขอ มีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าคู่ผ้าเป็นอันมากหลายร้อยหลายพัน ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแก้วกล้าปลอบ กระทำประทักษิณแล้วจากไปเริ่มทรงอนุญาตผ้าบดีจีวรลำดับ แต่เราสนับสนุนคันยินดีปัจจัยตามที่ได้เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์คนทั้งหลายในกรุงราชคฤห์ทราบว่าพระผู้มี ชั่วเพียงวันเดียวจีวรหลายพันผืนได้เกิดขึ้นในกรุงราชคฤห์ชาว จีวรเรื่องทรงอนุญาตผ้าปาวานผ้าไหมและผ้าโกเชอสมัยนั้นผ้าปาวานได้เกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ ภิกษุทั้งหลายจึง พธมพานวาระจบ